6. อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเจตันหาคือความทยานอยาก 8. เวทนาความรู้สึกอารมณ์ว่าทุกข์สุขเป็นต้นเกผัสสะความถูกต้องทางตาเป็นต้นสิ 10. สลายตนะอายตนะหกมีตาเป็นต้นสิบเอ็ดนามรูปคือสิ่งที่เป็นเพียงชื่อ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 โดยรู้จักตัวสิ่งนั้นเหตุเกิดของสิ่งนั้นความดับของสิ่งนั้นข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสิ่งนั้นพระสูตรที่สิบสติปทานสูตรสูตรว่าด้วยการตั้งสติสี่ประการข้อความในพระสูตรนี้ซ้ำกับข้อความในมหาสติปทานสูตรซึ่งอยู่ในเล่มสิบสูตรที่เกอันย่อไว้แล้ว